Thank mm -hmm. you. สี<อ>่ยิงสุภโย อ, องสองพระนามว่าพระโคนาระมโนโยยดยิงเด่นพิโยเป็นจอมปราดเลิยปัญญาองสามนามพุทธกัดสะปาธรรมราชามหาตารุณาที่คุณยิง จะทันประดิษฐ์มาศาสนาะ แลกัน นาะนาะนะ